ญาติโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองแการจเจริญพระกรกรมฐานคําว่าพระกรรมฐานนี่รวมทั้งสองอย่างทั้งสมถะภาวนาด้วยวิปัสนาภาวนาด้วย <c oughs> คาว่าสมถะภาวนาหมายถึงว่าทําจิตให้ว่างจากนิวรณ์และจิตเป็นสมาธิ ถ้าจิตไม่ว่างจากนิวรณ์จิตจะเป็นสมาธิไม่ได้ <c oughs> นิวรณ์มีห้าอย่างคือหนึ่งความรักของยุสวยเสียงซอบกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส ร, รองเพศที่เกิจากวามฉันทะสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงที่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ <c oughs> ทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างเรึ่ถ้ามีในใจธรรดาท่านพุทบริษัทเวลาที่จะเริยสมาธิเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเพราะามีวอนเข้าไปข่าแต่การที่เราจะห้ามนิวรอนเนี่ยมันห้ามกันนานไม่ได้บางคราเราอาจจะห้ามได้แค่สองสามนาทีจิตไปสมาธิทรงตัว ถ้าวันเดียวหนึ่งมวันเข้ามาแทรกอันนี้เป็นของธรรมดาเราก็ต้องถือว่าเวลาไหนที่จิตว่านจากมีวันเวลานั้นเราส่งสมาธิได้เวลาไหนที่มีวันเขาแทรกใจสมาธิก็เหลวก็ล้มเหลวไป <c oughs> พอกําลังใจดีเราก็เริ่มต้นใหม่เรักษากําลังสมาธิใหม่คําว่าสมาธิเราการตั้งใจ คืตั้งใจว่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะยังเวลานี้เราฝึกกันเวลานี้ก็าตามเวลาสมัยผู้เจากก้าก็ตามก็เหมือนกันเราฝึกตามสมัยนั้นนะให้ใช้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ไม่คิดสิ่งอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิต บ้างจากมีบอนเปสมาธิแล้วถ้าภาวนาด้วยจิตยียวทรงคำภาวนาอยู่ด้วยทรงลมหายใจเขาออกด้วยหรือว่าลมหายใจก็ออกหายไปหรือจะคำภาวนาก็ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิ <c oughs> นี่คำว่าสมาธิธรรมดาถ้าไม่มีวิปัสสนาญางเข้าช่วย เราก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้การนี่เป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องมีแอบวิปัสสนาญาณเขาช่วย <c oughs> คำว่าวิปัสสนาญาณแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่ยากยากไหมไม่ยากใช่ไห ทีปรัชนาเนี่ฟังกันบางทีแล้ไม่รู้เรื่องว่ามันยากเหลือเกินความจริงไม่ยากเรื <c oughs> ่องว่ายอมรับแัะถือความเป็นจริงผู้ภาษาไทยความจริงมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างนี้ให้พิจารณาร่งรางกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ากลางมีการป่วยไข้ไม่สบายในท่ากลาง ทนมีการสลายตัวเป็นอนดีสุดรู้แค่นี้ไม่ใชรู้มากทหญ่ปัญชาติม่รู้มากของนี้ให้อธิบายน้ำท่วมทุ่งเลยพระบทที่สุดตักไม่ติดน้ำที่พรัาญายาแปลว่ายอมรับนับถือความเป็นจริงถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือความเป็นจริง จิตใจมันก็ไม่มีทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดมันจะอยู่กับร่างกายใจไม่ทุกข์ด้วยจะยกไปอย่างให้ฟังว่ไอย่างม่าวัตรูปเนี่ยกายท่ก็ไปทุกข์ใจก็ไปทุกข์ใช่ไหมเพราะท่านไม่มีใจมีไม่มีหินก็เป็นว่าการเจ ร, ริญปัญรมฐานต้องศึกษาทั้งสองอย่าง ทั้งสมถะด้วยวิปัสนาญาณด้วย <c oughs> อันดับแรกให้ทุกคนกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกให้ใช้คำภาวนาควบคู่กันไปถ้าหรับเบื้องต้นคำภาวนานี้ไม่จํากัดใครภาวนาจะแบบไหนคล่องก็ว่าตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยน เพราะภาวนาเป็นเครื่องโยงใจทรงสมาธิ <c oughs> ในเมื่อภาวนาไปภาวนาใจจิตใจไปสบายแล้วก็จิตตกลงจิตไม่ทรงตัวตอนนี้จิตอยู่ๆแต่แค่อุปจาระสมาธิก็ไข่คนขอร่างกายของคนละสัตว์ทั้งหมดร่างกายของเขาร่างกายของเราเหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่ในช่วงนี้มันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติอันนี้เป็นวิปัสนาญาณให้ยอมรับทัศน์ทีต่างความเป็นจริงของมัน ถ้ามันจะแก่ก็ใจคิดว่าธรรมดาของมันต้องแก่ปล่อยให้มันแก่ไปห้ามมันก็ไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะป่วยเราก็ห้ามไม่ได้มันก็ต้องป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถึงวาระมันจะตายก็ตามใจมันไม่ตามใจมันมันก็ตายแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีบุญอยู่บ้างพอสมควรนะ ให้มีบนพอสมควรถ้าตายแล้วไม่ไปนรกเอาให้พจะเล่าตัวอย่างให้ฟังไหมเอาเรื่องของพ่อเองนะเมื่อปีพศอ .2500 สอสพน 500, ันเองกับทุกคนเหมือนกันเวลานั้นมีงานหนักมากเกี่ยวงานก่อสร้างไอ้เวลาที่เจริญสมาธิจริงๆมันมีเวลาน้อย <c oughs> เวลาจะใช้ได้จะเพราะเวลานอนถ้านอนลงไปหัวถึงหมอนก็เริ่มภาวนาภาวนาก็มา ไ, มากไม่ได้มากเผลอไม่ได้พอเริ่มจับวิปัสสนาญาณไอ้ภาพวิปัสสนามันไม่เกิดหินทรายมันเกิดขึ้นมาแทนกองหินกองทรายที่เรากําลังจะก่อสร้างพอเริ่มคิดปับ๊บไอ้งานที่ก่อสร้างคํ้ามาขวาง แต่กว่าจะลบล้ามันได้ก็ต้องใช้เวลาก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเนี้เออเหมือนกับทุกคนที่นั่งดีเนี่ยนะเหมือนเมือกันแต่บางครั้งเห็นยังคิดว่าชาวบ้านสบายกว่าฉันเพราะว่าชาวบ้านตอนนั้นมันนอกสามสี่ทุ่มันก็ดับไฟหมดแล้วเราเป็นพระปีสองยังไม่หลับต้องคิดถึงเรื่องของงานบ้าง ไอการทำงานทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินจะได้เงินมาจากไหนจะได้ขอมาจากไหนแ้วก็ต้องใช้คนคนบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี <c oughs> นั่นลำบากไปหมดนีกก่อนปีพศสองพันห้าร้อยสามปีมีความรู้สึกว่าปีพศสองพันห้าร้อยเราจะป่วยหนัก แล้วว่าจะต้องนอนนมยานสองปีเมื่อมีความรู้สึกตามได้ขึ้นมาก็คิดว่าการป่วยคราวนี้ก็ไม่แน่นักมันจะตายหรือไม่ตายก็เป็นเป็นเป็นเป็นบาระที่ท่านกำหนดไว้ว่าถ้าต่อไว้สิ้นสุดแค่พอส่วันห้าร้อยก็แทนที่จะนั่งเจริญภาวนาก็เร่งรัดในกายก่อสร้างหนักขึ้น สร้างโบสถ์พร้อมกันสองหลังสร้างสลายหนึ่งหลังสร้างโรงเรียนเจ็ดหลังสามปีนะตอนนี้มันก็หนักใจในงการหาเงินแต่ก็เป็นการบังเอิญมาพระท่านช่วยสามารถหาเงินได้ทันพอปีพอศสองพันห้ารอยต้นปีฟังรุ่นนิดโบทเสร็จมันป่วยอยู่แล้ว ก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลครับงที่เมื่อมาก็มากระเด็กคนเด็เล็กๆอายุประมาณสิบสองปีพอมาถึงโรงพยาบาลอาการก็มีไม่มากเรารู้สึกเราไม่มากแต่ว่าผู้อุ่นในโรงพยาบาลชอบกันเขาจับมือจาับชีพจรนิดหนึ่งเยเขาก็พาไปห้องห้องหนึ่งแทนที่เป็นห้องโตรวจเป็นห้องพิเศษสําหรับพักนอน เขบอกเขาถามว่ามาทําไมคุณมาที่เนี่ยบอกท่านจมนอนที่นี่เด็กกลับวัดได้สาทำไมอ่ะเพราะท่านต้อนอยู่โรงพยาบาลบอกคุณนี่ฉันจะให้คุณตรวจแล้วขอยาไปกินเ้าว่าไงดูไหมเขาบอกว่าพระเราโตได้เฉพาะในวัดนะโรงพยาบาลโตไม่ได้เออเราเสียท่าเขาเราเสียท่าเขาตอนนั้นนะเป็นนั้นว่าต้องนอนห้องพิเศษที่เขาจัดให้ อาการมัก็ไม่หนักประที่ถึงเวลากลางคืนป่านนี้มั้งเวลาทุ่มเสร็จเศรษรู้สึกมันอืดมันเสียขึ้นไม่เคยอาการอย่างนี้ไม่เคยมี ม, ม, มีมาก่อน <c oughs> มันอืดเสียขึ้นมันหนักรายที่สุดก็ต้องใช้อนาปานุสติเข้าข่มข่มได้บ้างไม่ได้บ้างในที่สุดก็จับได้แค่อนาปานุแค่อุป च าละสมาธิ เมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิควาก็ลดตัวความรู้สึกลดตัวคืนแรกคืนที่สองเวลานั้นก็เป็นแบบนั้นอีกทีนี้มาคืนที่สามคิดว่าวันนี้มันต้องมาอีกอาการแบบ น, นี้วันปกติเวลาธรรมดาก็ไม่เป็นเวลากลางวันทํามดาธรรดาเหมือนคนธรรมดาทุกอย่างแต่ถึงเวลานั้นมันเป็นคิดว่าวันที่สามมันต้องมาใหม่ จอให้พยาบาลไขเตียงแบบนั่งแวะแล้วก็นั่งเข้าสมาธิคอยมันมาตอนเข้าสมาธิพอมีอารมณ์ดีไอ้โรคมันไม่มาแล้วก็มีคนมาเหมือนกันคนที่มาคือสามดีพรมถ้า <c oughs> สามดีพรมท่านมาแต่งตัวเต็มยศมีชุดองชดดาเรียบร้อยนะ แม้ทองเต็มตัวคิดถึงให้ฝันเพชรเ พ, เ, พเต็มตัวให้ฝันมองใกล้ๆนะให้มาแกะทีละเมตดสองเม็ถึงงยามันคุยไปรู้เรื่อง <c oughs> ถ้าจะเรบว่าคุณพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปเฝ้าถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่ที่ทิพานราะเอางี้ก็แล้วกันไม่ฐานะที่ท่านมารับ ท่านก็นำหน้าทีจะตามหลังท่านก็พาออกไปในเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามันตายยงที่ว่าไปเฉยๆตามกันไปแทนที่ท่านจะนําขึ้นระบวนท่านนําลงข้างล่างไปเริ่มต้นแต่เวทีมหามรกขึ้นมาทุกขุมชี้ดูทุกขุมันโทษเป็นทุกอย่างไงถ้าไปเทวดาทุกชั้นไปพรมทุกชั้น <c oughs> พอถึงผมชั้นที่สิหกท่านก็เลยบอกว่าหน้าที่ของผมแค่นี้ผมพาท่านมาได้แค่นี้ต่อเ น, นื่ไปเปเขตสขาไผ่านเป็นหน้าที่ของท่านจะไปเองควีมจริงข น, นาดที่ตามท่านไปกําลังมันดีแข็งแรงมากกรบพี่กระปกเปล่าจับไว้พอออกจากผมชั้นที่สิหกก็ปรากฏว่าหมดแรง กำลังโผเผโผเผยใกล้ๆ ค, ค, คนเป็นไข่ยอย่างหนักแล้วก็จำต้องไปไม่มีใครใครก็ไม่มีไปคนเดียวเดินไปเดินไปก็ไปพบวัดปัดหนึ่งกรแพงก็สวยกุติก็สวยหอะระฆังก็สวยมันเหมือนก็แก้วผสมทองเดินไปรอบๆวัดพระก็ไม่มีแล้วก็เด็กก็ไม่มี แล้วไหว้ก็ไม่มีเกิดคิดว่าไอ้วัดที่มันวัดอะไรก็มันว่าไม่มีใครสักอย่างพอเดินไปเดินไปไปถึงหอะระฆังมันต่ำก็หมดแรงนอนที่พื้นหอะระฆังพอนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะันออกเห็นพระมาหนึ่งองค์เดินมาจากไกลมีฉับปันองค์สีรัตนมีหประกานก็ทราบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้า แต่ท่านก็มาถ้าไม่ได้เข้าทางประตูกําแพงท่านเดินลักําแพงออกมาตอนลักเราถึงกาแพงกาแพงมันขาดออกไปจากการไปแยกออกไปพอท่านเดินเลยสมมากําแพงก็เข้าไปติดกันตามเดิมมาถึงท่านก็มานั่ง ใ, ใกล้ๆพอท่านมานั่ง ใ, ใกล้ๆข้างๆตัวก็เลยลงลงจากพื้นพื้นหอระฆังลงมานั่งข้างล่างกราบท่าน ท่านก็นถามว่าเธอคิดบ้างไหมว่าชาตินี้จะมานิพพานก็เลยบอกท่านบอกไม่เคยคิดท่านถามว่าทําไมาจะไม่คิดก็บอกท่านบอกว่าไม่ต้องสื่อบอกนิพพานมันศูนย์เจ้านิพพานที่ไหนท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรบอกไม่รู้จักเพราะริงไม่รู้จักจริงๆเนะ ท่านถามว่าตั้งแต่เทวดาชั้นจ้าตุภราชาติขึ้นมาทั้งฟมชั้นที่สหกเคยรู้จักไหมบอกว่าเทวดาตั้งแต่ชั้นจ้าตุภราชาติทั้งฟงชั้นที่หกอันนี้เที่ยงทุกวันไปหาองค์นั้นบ้างไปหาองค์นี้บ้างนี่เคยรู้จักกันมาก่อนอแต่ว่านิพพานไม่เคยรู้จักท่านบอกฟงชั้นชั้นที่หกอยู่ที่ไหนก็บอกว่าตามมาจะไม่น่อยท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้เพราะมันไม่รู้ตอนนั้นเรีกไม่ออกถ้าบอกที่นี่เขาเรียกนิพพานก็ถามนักบวานิพพานเขาเขาบอกว่าศูนย์ท่านก็เลยบอกว่าไอ้คาว่านิพพานศูนนั้นมันเป็นคําพูดทุกคนที่ศูนจากความดีใช่ไหมนิพพานนางประมังสูนอย่างบาลีว่าอย่างนั้นถ้าแปลวนิพพานมันทำว่างอย่างยิ่งคำว่าสูนย์นึกแปลว่าว่าง นเวลามันแปลมันไม่แปลตัวศูนย์ออกไปมันเก็บตัวศูย์ไว้มันแปลว่านิพพานศูนย์อย่างยิ่งนิพพานไปนทำบ้านอย่างยิ่งหมายความว่าบ้านจากราคะบ้านจากโลภะบ้านจากโทสะบ้านจากโมหะกิเลสทั้งหมดนี่จะไม่มีในใจทุกคนที่ไปนิพพานนิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้านิพพานไม่มีสภาวะเป็นที่อยู่ไม่เป็นด้งเกิดก็ไม่มีอะไรรับสัมผัสก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะรู้ความว่าท่านยืนยันว่าที่นั่นคือนิพพานแล้วท่านก็ถามอีกว่าเธอคิดว่าชาตินี้จะมานิพพานบอกไม่คิดถามว่าทาไมก็กาเบรตบนับว่าอาศัยที่นิบาสนาญาณอ่อน คอตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็จะมาเกิดเป็นชมเพราะว่าวิมานที่พรมมีอยู่แล้ว <c oughs> เคยไปนั่งเล่นนอนเล่นทุกวันทั้งก็เลยบอกว่าไอท้ทิฏฐิพานนี่ก็มีวิมาของเธอถามว่าวิมานอยู่ที่ไหนบี่ที่เธอนั่งในตนะเคตทั้งหมดเนี่ของเธอ <c oughs> แหมมันโง่ขนาดนั้นเน่ ไอ้ที่เธอเดินไปเดินมาหาพระไม่ได้หาคนไม่ได้มันไม่มีใครเจ้าของมันยังไม่มาก็เลยมีความเข้าใจถ้าท่านถามใหม่ว่ายังคิดว่าจะมานิ่พันไหมบอกไห่ไหวครับกําลังใจไม่มีถ้่เรานในชีวิตไม้เลินท่อนไม้ท่อหนึ่งสิบท่อนท่อนนอนยาวแค่ศอกเป็นไม้ลำบางๆแค่เราเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ ถ้าเก้าองค์มาหยิบไม้คนท่อนนั้นท่อนนั้นทนเดินไปเดินแบบสบายๆแต่องค์ที่สามนึกว่าจะเป็นองค์ปานแต่ว่าทุกองค์จะเห็นหน้าแต่ท่านก็ยิ้มยิ้มคล้ายๆจะรู้จักกันแต่ว่าเลยอีกท่อนหนึ่งถ้าบอกท่อนนี้เป็นของเธอถ้าเธอยกไม้ท่อนนี้ไหวแสดงว่าชาตินี้มานิพนานได้ถ้ายกไม้ท่อนนี้ไม่ไหวมานิพนธ์ไม่ได้เธอจงไปยกไม้ท่อนนั้นอันนี้เป็นคําสั่ง เมื่อคำสั่งนี้เนะราปฏิเสธไม่ได้ก็ไปถึงหยิบไม้ตั้งท่ายักแย่ยันเอาเต็มที่เลยนะงางปับ๊บม่ขึ้นมาเบาเหมือนกระดาษเลยตามพระเก้าองค์ไปตามไม่ได้สักสิบเมตรนะมันเรียกกลับมาบอกไม้วางไว้ก่อน <c oughs> เธอยังไปไม่ได้ต้องกลับลงไปแล้วก็จะต้องบำเพนด้านวิทสุนาญาณให้เคล้อนครัตให้มีความเข้าใจต่างความเป็นจริง ก็เลยบอกว่าเวลานี้การฝึกกรรมฐานเพื่อารเป็นหน่อยกรรมฐานย่อหย่อนมากเพราะงานเกี่ยวกงานก่อสร้างมากทั้งเลยบอกว่าไองานก่อสร้างก็คืองานกรรมฐานมันต้องใช้บา ร, รมีทั้งสิอย่างเขาควบคุมถ้าบา ร, รมีสิบอย่างไม่ควบคุมตัวจะไม่สามารถจะก่อสร้างได้เลยอย่างหนึ่งทานบา ร, รมีเราไปสร้างให้เขา เขาก็ไปทานบรารมีสองสินบรารมีแล้วบอกเราจะให้เขาว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ขายเขาเนี่ยจะให้เขาเฉยๆเอาต้องมีศินล้วสามปัญญาบรารมีต้องมีปัญญารวมความว่าต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะความจริงใจทุกอย่างมันต้องครบถ้วนถ้าบรารมีสิบไม่ครบมันจะสร้างอะไรไม่ได้เลย ว่าการเจริญการสกอร่อสร้างของเธอก็เป็นการเจริญกรรมานทั้งสมถะวิปัสสนาต้องใช้ทั้งกําลังสมาธิด้วยต้องใช้ทั้งกําลังปัญญาด้วยมันครบถ้วนอยู่แล้วก็เ ร, เร่งรัดอีกนิดหนึ่งให้มีความเข้าใ จ, จาตามความเป็นจริงนั่นคือสังขารเปรียญายา <c oughs> ให้วางเฉยในร่างกายเสียร่างกายมันจะแกะ่ทุกเรื่องธรรมดาที่มันจะแกะ่ ร่างกายมันจะป่วยชีวิตเราธรรมดามันจะป่วยร่างกายจะตายถือเป็ น, รปนธรรมดานของมันนี่เล่าอย่างย่อดนะ <c oughs> ก็รับปากท่านแล้ว ก, กลับลงมาก็ลงความว่าปีพศ ส, สองพันหร้อยตายไม่ได้อีกท่านก็ตายลงมาต่อให้อีกสิบปีต่อทีละสิบทีละสิบทีสิบถ้าวันนี้ว่าไอ้ดังสิบปีครบใช่ไหม ตายไปหลายชั่วโมงตั้งแต่ประมาณรักสองทุ่มกลับมารู้สึกตัวเอาไปแปดนาฬิกาแต่ว่าชาวบ้านเขาอาจจะคิดว่าตายนะเราไม่รู้สึกว่าตายนะแล้วมาปีนี้ก็ไหมืกันตุลานี่ที่ทดาขอไว้เมื่อสองสามวันที่สิบแปดเป็นวันครบสัญญาไม่จะตายไม่ตายไม่ับแต่เมื่อคืนเนื้อเอาหนัก เมื่อคืนนี้เอาหนักมากเลยตั้งแต่ตีหนึ่งคึ่งมันหนาวจัดปากจะเรียบพระเรียกคนข้างๆก็ไม่ได้ห้าไม่ขึ้นจะหยิบมือไปเอาไปจะเอามือไปหยิบผ้าหยิบผืนหนึ่งมาห่มคลุมก็ขยับตัวไม่ได้มันก็เป็นมายันเช้าถึงเวลาบวชสวงฆ์เอเ่ยไปนว่าในการตัดตอนถึงอายุถึงไขาการกําหนดทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกที เลยเมื่มมตอนเช้านี่ตอนเข้าสมาบัติก็ถามลุงท่านบอกยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านต่อให้ถ้าไหวต่อให้ก็เห็นยังไม่เกยนวันที่สิบแปดลุงท่านก็บอกว่าท่านต่อแล้วนะถามว่าต่ อ, อยังไงตอนนี้คุณตัดสินใจว่าคุณจะตายวันที่สามมกราคมสองพันห้ารอยยี่บยี่ห้า แล้เวล า, าไปหาพระเจ้าท่านเดิลาไปลาท่านท่านบอกว่าฉันใหบอกให้แกตายปีที่เท่าไร่ค่พูดคำเดียวพอพูดคำเดียวถ้าไม่พูดอีกก็เลยตัดออกมาพี่ที่ที่ทดา ว, วดึงพอถึงดา ว, วดึงก็บอกว่าอุจาระก้อนนี้มันหนักมากไม่เป็นอุจาระก้อนใหญ่นั่ขวางมาหลายปี ถ้าเอาออกไม่ได้วันที่สามมกราก็ต้องตายเทวดาทั้งหมดพรหมทั้งหมดเงียบไม่มีใครพูดก็พูดต่อมาไม่อี่ขณนะลากลับก็พูดออกเดียวคือสามบดีพรมเ้าบอกว่ามีทางแก้ไขลูกพอจะบอกมีทางแก้ไขก็ลงมาถ้าก็ตามลงมามายืนที่ด่านทิศะ เฉียงก็ตะ ว, วัดบอกมึงไปเดี๋ยวนี้มึงไปเดี๋ยวนี้ตะวัดสามครั้งก็เป็นตัวคนออกมาจากท้องมือขวาถืออะไรจําไม่ได้ไม่มองไม่ถนัดแต่มือซ้ายมันเช็ดนาำตาเจอเราดองให้ค่อยตัวนั้นไปแล้วจากประเด็นขุนก็อยากเข้าส้มไอ้เจ้าขี้ก็ดดันมันก็เคลื่อนออกมามันยาวแข็งมากเต็มลาไส้ เฟโนอัมไซก็เริ่มโปรตอนนี้อสัญญาก็เป็นสัญญาถ้าวันที่สิบแปดไม่ตายก็รอไปวันที่สิบแปดปีหน้าวันที่สิบแปดปีหน้าไม่ตายก็รอไปที่สิบแปดต่อไปเมื่อไงเอางี้ดีกว่าฝันยั อ, อยากให้พ่อตายไหมไม่อยากทำมาปีละ้านแล้วตกลงมันตกลงในปาก เรีนเช็คหละก็ไปทวายายาจงผูธบริษัทให้คําว่าวิปัสสนาญาให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถจะแต่กิเลสได้เราไม่สามารถจะปฏิภาณได้อันนี้ไม่จริงถ้ามีความเข้าใจเรื่องนิพพาน เวลาจำปัญหาอย่างยิ่งคราวา่าตีไปพระทหารไม่ได้จะทรงตัวได้อยู่แค่นาคามีถ้าเป็นพระทหารต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลีบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันจะไม่เห็นใครเกินหนวันวันนั้นต้องตายต้องนิพพานจะน้นเวลาที่ท่านป่วยหนักทุกคนให้วิจาาตามความเปจริงว่าเวลาป่วยหนักดังอะไรมันก็ไม่เหลือ ราคะความรักระหว่างเพศไม่มีเพราะร่างกายมีทุกเวทนาโลภะความโลภก็ไม่เหลือโทสะความโกรธก็ไม่เหลือโมหะความหลงที่เหลอนึนกตัวดีก็ไม่เหลือเพราะมีทุกเวทนามากถ้าเวลานั้นถัาว่าทุกท่านท่านทุกคนเกยความเบื่อหน่อยในร่างกาย ที่ว่าร่างกายที่เต็มไปทุกเวทนาแบบนี้เราจะไม่มีมันอีกคิดเพียแค่นี้นะ่อถึงแม้จะไม่คิดถึงนิพพานก็ไปนิพพานถ้ากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทนึกถึงมรรพานอยู่เป็นอารมณ์ขอยืนยันว่าเวลานั้นได้าาการเกิดขึ้นอย่างนั้นอยาคิดว่าถ้าตายวันนี้ขอไปนิพพานเมืนั้นจะไปนิพพานทันที ตอทีไปพุบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลมาทานในกรรมฐาน